โรค แ, แม่จะมีความรุ่มร้อนเพียงไรก็าตามแต่ถ้ายังมีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทา เ, าเบาทุกข์ไปบ้างพอสมควรเช่นเดียวกับโรคแม่จะมีความรุนแรงเพียงไรก็าตามแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอทำเนาได้ ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตราของโลกที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจของโลกถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนเป็นเจ้าอำนาจบงการอยู่ภายในจิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใด จะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะไม่มีเครื่องบรรเทาคือศาสนาคําว่าศาสนาก็คือเหตุผลนั่นเองเมื่อเราแยกออกมาพูดว่าศาสนาเหมือนว่าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงมานอกเหนือจากความต้องการหรือนอกเหนือจากความรู้ความเห็นการปฏิบัติของโลกความจริงคาว่าศาสนานั้นถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้ว ในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นแหละเนชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปินเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดำเนินไปตามนั้นนี่โลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบาก ทั้งภายนอกภายในหากไม่มีศาสนาเข้าเคลือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็าตามไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอตรงจิตปรงใจได้ชั่วระยการไม่ได้เลย เพร ม, มีที่ปรงุงเราจะปรุงลงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตาม จ, จิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ผิดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอเอแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิกเลสเป็นอย่างนั้นถ่ามนาคของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลําบากไในบ้างในการฝืน กิเลสทำลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายนี่ก็พอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความเฉลาดเนือ้อจั์ทั้งหลาย คำาศาสนานั้นเป็นขแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมล้วนๆออกมาจากธรรมที่เรียกว่าเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนเป็นขแนขแนงแนงว่าให้ทําอย่างนั้นอย่าทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนั้นนี่เป็นต้นนี่แสดงออกในทางเหตุทางผลให้เราดําเนินตามนั้นทุกยากลําบากในการดําเนินตามเพียงไร เมื่อเชื่อต่อเหตุต่อผลแล้วก็ต้องฝืนทําลงไปการฝืนทําลงไปนั่นคือการฝืนกิเลสคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆภ า, ายในจิตใจผลที่จะพึงได้รับก็ต้องมีความโน้มเย็นเป็นสุกยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว่าวุ่นขุ่นมัวไปหมดใจทั้งดวงกลาเป็นไฟทั้งกองไปเลย เพราะเรายัางไม่ได้สติเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากเพียงไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแหะทั้งวันนี่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้วและจิตก็ไปคิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วผลจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาโดยลาดับลาดับ เพรเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ําได้อย่างไรมั่นก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝื่องชิดมากอย่างไรก็ยิ่งทําลายจิตใจของเราลงได้มากอย่างนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยนัเพราะสิ่งเหล่านี้ทําลายสิ่งที่ทํำลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดที่พอมีสติขึ้นมายับยั้ง พิจณาใคร้ควรถึงเหตุผลดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทําไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าไม่ดีแล้วคิดไปทําไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผลเป็นอย่างนั้นการคิดมาทั้งมวล น, นี้ก็พอที่เห็นโทษของมันแล้วเพราะทุก์เป็นประจักษ์พยานอยู่ภายในาจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกําลังนี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้นๆ ที่เป็นของไม่ดีถ้ายังจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรขนาดที่คิดนี้ความทุกข์ก็แสดงหเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วแล้วจะคิดให้เพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์จะไม่มากกว่านี้แล้วจะทนได้อย่างไรต้องมากกว่านี้เป็นลำดับเมื่อมากกว่านี้แล้วเราจะมีกำลังบางชามาจากไหนมาต้านทานหรือแบกบหามทุกข์ที่ผลิกขึ้นทุทะยะจากสิ่งที่ไม่พอใจนี้หนั เรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนก่อโกรยทุกเหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลําดับอยู่หรือนี่เพียงเท่านี้สติจิตที่ได้สติมันขอยับยัง้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้จิตหักจากสิ่งนั้นออกม า, าระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับเราะเหตุไร เพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระ ง, งับตัวการระ ง, งับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็พอ เ, เป็นสักขีพยายนอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเราที่เราเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความเบ่เบียนขึ้นมาที่นี้ทุก็ระงับดับไปแม้จะลำบาก ในการฝืนในการบังคับกิจไม่ให้คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบแล้วทีนี้เรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้ยุบมีที่ปรงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลาย เช่นเขาดุเขาดา่าเขาติฉินนินทาว่าอย่างนั้นๆคําติฉินนินทาเขาก็ผ่านปากเขาไปแล้วผ่านความรู้สึกเขาไปแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนไม่ทราบเราเพิ่งขึ้นเพิ่งทราบในขณะนั้นเวลานั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาไอ้ลมปากเขาก็หายไปแล้วตั้งกี่ปีกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาเขาว่าให้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั้น เช่นนายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั้นๆไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นเป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสําคัญผื้ของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทาั้งๆที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตําหนิปีชินินทาเราเขาก็ตําหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกอย่างไรทอดจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้น จิตเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อนนี่เมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพ่อก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราจะเข้ามายึดทำไมของสกรปรกก็ทราบแล้วแม้แต่เดินไปตามถนนทางไปเจอสิ่งสกรปรกเรายังหลีกให้ห่างกกล ไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยพราทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเปอะไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกรปรกแล้วเราทําไมเราชอบไปคุกคีชอบไปยุ่งชอบไปนํามาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกรปรกไปหมดทั้งจิต กลายเป็นไฟทั้งดวงไม่สมควรน่นเราคิดอย่างนี้เราระงับไปได้พอจะคิดขึ้นมาในขณะใดสติเรามีทันเรารู้ทันทีแล้วปล่อยไปได้นี่นี่คือหลักธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมในวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษาตัวเราใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นภัยต่อตัวเอง จากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ทางอารมณ์ของใจใเสเ่องก็ต่างไปคิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งานต่างๆมารบกวนเจ้าของก็สลักได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนำมาใช้เมื่อไรก็เกิดประโยชน์เมื่อนั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่าทาลายเสียโดยไม่คานึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั่นเลย เราถึงเราก็ยอมรับทุกแต่ถ้ายอมรับทุกตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี้เราก็บน่นเพราะเหตุไรต้องบ่นเพราะไม่อยากทุกแล้วไม่อยากทุกไปคิดทําไมในะจิงที่ไม่จึง ท, ที่เป็นทุกข์แต่ฝืนคิดทําไมก็เพราะความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเป็นอย่างนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานํามาใช้มันก็ทานกับเหตุการณ์ นี่วิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักษาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ให้โลกถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องนาเนินไม่ว่ากิจการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภัยแก่ตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเวน้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทำในสิ่ง น, นั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรือง อยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุกเย็ยนใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้พาดําเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบสงบสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผลอย่างนี้นี่ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสํสาสคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันในโลกมี่หมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันน่าจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็ยนเป็นจุกไม่ดือดร้อนวุ่นวาย แย่เอาไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความพาสุดอ้าวนี่หมายถึงปัจจุบันที่หมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภาณใจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันรักษาตนอยู่แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทาลาย จิตใจของผู้นั้นเลยแล้วปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตที่มีคุณงามความดีประจำใจย่อมจะไม่ประเกิดในสถานที่จะรับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงจะวงไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลำดับลาดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรม ผู้มีธรรมในใจคิดกับคนที่ไม่มีธรรมเป็นไหนๆแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็าตามแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทาต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลำดับลำดับผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันเป็นเป็นไปไม่ได้ย่อมมีแต่ความแตกต่างกันอยู่เช่นนี้เป็นธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่ากักมลังสตเตยุพชติยดิดังหินัปปณีตัง กรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกจกัดทั้งหลายให้มีความประเนีดเรียบซ้ำต่างกันนี่ไม่นอกเหนือปัญญกรรมกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทำไมจึงเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผีดกรรมขึ้นมาโดยลําดับด้วยกันแม้จะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก็ตามคำว่ากรรมคืออะไรแปลว่าการกระทํานี่พูดกลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมมะโนกรรมทําด้วยกายประพฤติด้วยกายก็เรียกว่า กายกรรมในกรรมทั้ง3ประเภทนี้เราเป็นผู้ผิดผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วจะปิดกั้นผลไม่ให้ปรากฏ ด, ดีชั่วขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อการผิดมีดีมีชั่วประจำตนอยู่นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เราผิดขึ้นมานี่แหละเป็นเจ้าอำนาจสําหรับปกครองจิตใจหรือสนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจให้ไปสู่ในสถานที่ใดคติใดก็ตามจะนอกเหนือไปจากผลแห่งกรรมที่เรียกวิาวบากซึ่งตนกระทําแล้วนี้ไปไม่ได้นี่ ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจยิ่งไปกว่าผลแห่งกรรมที่ตนทำนี้เป็นเครื่องประคับประคองหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนมนี่หลกักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่ให้เชื่อที่อื่นยิ่งไปกว่าความเคลื่อนไหวของตนทางกายวาจาใจนี่เป็นหลักประกันตัวอยู่ที่นี่และสิ่งทำลายตัวก็คือคืออันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจะมาทำลายได้การคิดการพูดการกระทาในทางที่ไม่ดีคือการทาลายตัวเองเนี่ย การคิดการพูดการทําในทางที่ดีคือการส่งเสริมบํารุงตนเองเนี่ยการประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวตัวสิ่งโน้นกลัวสิ่ง น, น, งนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทําที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจะแง่ใดก็ตาม ให้พึงทราบวันนี้แหละคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกําลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขสช่ไหมแล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแก่เราไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งทิ้งหมดฤทธิ์หม ด, หมดอํานาจของกรรมที่ทำไว้นี้แล้วถึงจะหมดไปได้ี่ผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพึ่งติดตามมาโดยลำดับ แล้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทํากรรมได้ไม่มีมันทําด้วยกันทุกคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตามหลักธรรมชาติแห่งการกระทําซึ่งมีประจำอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่ท่านสอนไว้แล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นการลบล้างกรรมนั้นได้ทั้งกรรมทั้งผลแห่งกรรมได้ไม่มีทางลบล้าง ต้องเป็นกรรมวันยังทำและเป็นผลดีชั่ววันยังทำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือปจา ก, กรรมและวิบากแห่งกรรมจึงไม่ควรกลัวเรื่องสุม 4, สี่สุมห้าหาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กำลังสร้างอยู่เวลานี้อยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุสาคัญ น, นี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่จะให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี่ให ให้รู้สึก ต, ต, ตัวตัวนี้ให้มีสติพินิจมีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกําลังคิดลิกขึ้นมามันผิดยาพิษหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเส้นตรงนี้ถ้าเลือกเฟ้นตรงนี้ทําตามความเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภยัยจากสัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้นเฮียชาญนา จำเป็นไม่จําเป็นให้เราคิดเอาตรงนี้ผู้ที่สอนก็คือผู้รู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องผลของกรรมของกรรมด้วยดีแล้วไม่มีที่แยง้งคือพระพุทธเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกรรมของพระองค์และกรรมของสัตว์โลกทั้งผลแห่งกรรมของพระองค์และผลแห่งกรรมของสัตว์โลกทั่วใจโลกธาตุ ไม่มีใครสามารถอาจเอือมที่จะรู้ได้ไดเห็นได้ดังประโพธิจัจึงได้รงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นาศนาสนธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนาศาสนาธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผล จ, จึงจะปีนเกียวกันกับความต้องการข้องหลัก มีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้นีโลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ตรงที่ว่างได้เหมือนกับโรคที่มียาระงับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกําลังด้วยอำนาจของโรคดยถ่ายเดียวพอมีทาง การสร้างความดีไม่เป็นสิ well ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่าอินนาระอาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นความสุขความสมหวังทั้งนั้นเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรสร้างเท่าไหร่มีเท่าไหร่ขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่เฟอ ไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟอร์ได้ถ้ามีมากเขาจริงๆมันเฟอคนดีมีมากเท่าไรก็ไม่ไม่มีเฟอื์ความดีมีมากเท่าไรไม่เฟอ์ไม่มีเฟอร์ดีเท่าไรยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามันคงพนันใจยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจานวนมากน้อยถึงไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคำว่าเฟอ์ผิดกันครับสิ่งต่าง มีการเฟอร์ได้เช่นเงินเฟอคนเฟอร์เราก็เห็นไหมเราเคยยินถึงเงินเฟอสิ่งของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟอร์ขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาเบิร์มดับดับที่มนุษย์เฟอร์เราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กําลังเฟอจะหากรราคาไม่ได้แล้วมันมากต่อมาก้ใครจะก็จะเอาจากตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเอง สร้างความทุกข์ให้คนอื่นมากมายเพื่อความสุขสำหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลคมากนี่เพราะกิเลสตัณหามันเจริญขึ้นโดยลำดับสิ่งที่มันเจริญขึ้นโดยลำดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายกายกองเวลานี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกผลซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นไอสิ่งส่งเสริมให้กิเลสตัณหาราคามันแสดงตัวขึ้นเป็นเปลวเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นเสแล้ว แต่โลกก็ยินดีจะว่าไงทุกเท่าไรก็ไม่เห็นโทษของมันยังถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีดีอยู่เรื่อยๆดีจนกระทั่งจะไม่มีสติสตังเลยจะเป็นบ้าพันยังดีอยู่เรื่อยๆนี่แล้วจะมีทางแก้กันที่ตรงไหนเมื่อยังยินดีในความเป็นบ้าอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะมีสติสตังมาเป็นคนดีได้อย่างไรนี่แหละมนุษย์เฟอ้อดูเอาจิตใจที่มันเฟอ้อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทําให้มนุษย์เฟอ้อด้วย ก่อนที่มนุษย์จะเฟอ้อก็จิตใจพาให้เฟอ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่สกรปรกสวมมลโรครุงรังเข้าไปทับถมหมหมอดหุ่มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจะมีมาจากที่ไหนมีแต่ของเฟอ้อเฟอ้อเต็มจิตใจแล้วเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟ้อกิิยาที่แสดงออกมันก็เฟอ้อเฟอ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว โลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทำตัวให้ดีมีคุณค่าสาหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทำให้เฟอ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วแล้วจะไปตำหนิใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทำให้เฟอ้อเสเองใครไม่เห็นก็ดูเอาผูดเยอะแยะเป็นงตอนนี้มนุษย์เฟอ้อเปไน แล้วไม่ได้ทีคนอื่นเราก็เฟอร์ถ้าสิ่งไหนมันไม่ดีสำหรับเราเรียกว่าเราก็เฟอร์เหมือนกันนี่เราเอาหลักธรรมมุเดธรมาสอนสอนพวกเราที่กําลังเฟอร์เฟอร์อยู่เวลานี้อืให้พยายามแก้สิ่งที่เฟอร์ออกสิ่งที่เฟอร์นั่นแหละสิ่งที่มาทําลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกอ้าวย่นเข้ามาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียดนั่นแหละคือความเฟอร์ฮะแก้มันออกความขี้เกียจความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็ง ให้มีความอุตสาห์พยายามเชื่อบุญเชื่อกรรมเชือ่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายแล้วไม่ไตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้วเกิดแล้วมันตายแล้วไม่ต้องเกิดนั่นเพราะนั่นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายม า, มากับความเกิดนะอย่างภาษาโบสถทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ คู่ที่บริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่ไม่กลับความเกิดแต่เกิดแล้วกลับความตายเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดแล้วต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านว่าปรินิพานความจริงคือธาตุขันธ์สลายเช่นเดียวกับโลกทั่ ว, ว, วไปนั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วจะไปลบผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายจะต้องมีเป็นธรรมเป็นธรรมดาหรือต้อนเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตายนี่มันแก้กันมาได้มันต้องมีไปคู่เป็นคู่กัน สู้มันอย่างนั้นเราสู้เพื่อชัยชนะจิตไม่ตายเป็นตัวอย่างว่าจิตถูกจองจำทําเวรยุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งดวงมันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้สลัดปัดตัวเองออกจากสิ่งที่สกปกรกรกรุงรังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ผิดขึ้นมาเพื่อแก้ตวเองการแก้ตวเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเปี่ย เพราะท่เจ้าท่านเคยแก้อย่างนี้เราเอาอะไรมาแก้เอาความขี้เกียจมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณเท่านั้นปีแล้ในปีแทนที่จะได้ออกเอาเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยมันก็ไม่ได้ออกจากครุบจากตารางจากรือนจำสักทีเลยตายอยู่ในเรือนจําดีแล้วเหรอนี่เรือนจําในฐานที่นี่หมายถึงวัฏจกักรคือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แค่เราเราเอาอะไรมาแก้ถ้าความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเข้าอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความมุสาพยายาม สติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเล่งลงไปเอาตายก็ตายโลกนี้มีความเกิดความตายเท่ากันไม่มีใครนอกเหนือไปกว่ากันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัทธาความเพี่ยนเราที่จะทําตัวของเราให้หลุดพ้นไปได้ในระยะใดก็ตามชื่อว่าเราได้ชชนะเป็นพักๆไปนี่แหละที่จะทําเราให้มีคุณค่าเอากงนี้ชนะกันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะกิเลสตัวเองยังไม่เคยเอาให้ได้ชนะไปเป็นพักๆ จนกระทั่งชนะไปะโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหนือนั่นเอกัรจะเคมัตตานังสเวสัางงามัญชุตโมชนะตนคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกนั่นฟังสกชนะสิ่งเหนั้นไม่มีอะไรประเสริฐเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเกี่ยวเนื่องมันเป็นลูกโซ่กันไปไม่มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตนด้วย สติปัญญาศรัทธาความเพียงเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีหนนหนเดียวเท่านั้นตายตายเฉพาะหนเดียวที่อัตภาพมีอยู่นี้อันเป็นต้นเหตุที่จะให้ตายนยีงเท่านั้นนอกนั้นไม่ท่องมาก่อกําเนิดเกิดที่ห้าจับจองป่าชาติเทไรอีกอื <c oughs> แล้วเคยจับจองมานานแล้วเรื่องปา่าช้านี้มันควรจะเบื่อกันซะทีเกิด <c oughs> ที่ไหนก็จองที่นั่นนหละสัตว์โลกทุกตัวสัตว์ มีแต่นักจองปราชาทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายตายแล้วเอาปรชาชญ์ที่ไหนก็เอาตัวของเรานี่เองเป็นปราชามันมีด้วยกันทุกคนอเราทำไมจะต้องขยันจองนะักจองปราชามันเดียวหรือกองทุกจนถึงตายมันถึงตายไปนี่ไม่เข็ดไม่หลาดตรงนี้จะเข็ดหลาดที่ตรงไหนอะไรไมาให้ทุกข์ให้ภายแกเราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายทั้งนั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางทุกข์ในธานในขันความหิวความหหยความทุกข์ร้อนต่างๆมันก็เต็มอยู่ในธานในขันนี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะ มันอยู่ในอากาศไม่อยู่ในต้นไม้มันอยู่ในบุคคลคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งนี้เท่า น, นั้นก่องถูกรวมแล้วมันอยู่ที่เราเราจะไปคิดว่าที่นู่นจะดีที่นี่จะดีถ้าลงขันยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรดีไม่ได้ถ้ายังกิดจึงเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรสุกเจริญไม่ได้ต้องแก้ลงที่นี่ดับกันลงที่นี่เอาน้ําดับอดับลงที่นี่น้ําสีน้ำธรรมดับลงที่นี่แล้วก็อเย็นเย็นแล้วก็สบายหายโศกซเศร้าเลืกการเจ ท, ทีการจับจองป่าช้านี่ นี่แหะพระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาสอนจกนกระทั่งถึงที่นี่การดําเนินก็ให้มีความสุขความสบายดําเนินไปตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ําเสมอภายนอกสัมมาอาชีวะภายในก็เอาเลี้ยงจิตบำรุงกิตจใจต้นด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผลเ้าวจิตใจเมียอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบ ก, กวนกจิตใจเขาโรวนจิตใจให้เดือดร้อนนานก็เป็นชอบชอบชอบไปโดยลาดับจกนกระทั่งจิตได้ถึงความ ชอบทาโดยสมบุรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี <ừ> ่เอาล่ะการแสดงทําก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลาพวาุติเพียงท่านี้